ในช่วงของการพูดคุยธรรมะที่เรามาพบกันอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึง มันเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนสิ่งที่ลุ่มหลงถ้าไม่เราลุ่มหลงสิ่งสถานีทั้งทั้งสถานีสักๆก็มี ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับๆยั่วยวนน่ะดึงปากเกี่ยวกับๆเหล่านั้นก็อาจจะมีรายซึ่งอัน ผู้พรรณลุ่มหลงห้วยมาไปตามสิ่งต่างๆนี่ 5 แล้วก็ยังมีคนฟังยัง มันจึงมีได้การปรากฏมีได้ตรงนี้ก็เพราะ คนฟังอย่างทำไมฟังฟังดีดีฟังล้าแล้วนอกจากจะทำให้ตัวเองเราดีสาญญาณก็ดีผู้ช่าอะไรกันผู้ด relatively อยู่เบิ้งหลังแล้วก็เป็นส่วนที่จะทำให้การฟังฟังนั้นดีกินตาท้ายแล้วการที่ ปรากศมีแตนพ스�eres นอกจากจะ เอ่อแนบแน่นแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นนั่นก็คือธรรมะนั่นเองนะเราเอามาอาจจะมีความคิดเห็นว่าอาจจะไม่ดีขึ้นก็อาจจะ แนวหรือว่าวิธีการที่จะจัดการกับลูกจริงๆเรื่องนี้ก็สามารถที่จะคอมมิตหรือว่า เพราะธรรมะคําสอนของพระเจ้าเนี่ยเอ่อมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันหมดที่ว่าเราเห็นโดยทางเอ่อ หูเนี่ยมันรับรับคลื่นมามันกระทบๆๆๆๆๆน่ะก็ไปๆๆๆๆๆก็ไปสั่นเจลลี่ของมันตรงนั้นดึกๆๆๆๆแล้วก็ มันเป็นการรับรู้ในจิตบางทีถ้าเราพูดภาษาเกาหลีภาษา การไปทํางานการพูดของคนนี้ทั้งหมด ที่เราสบายไม่ยึดถืออะไรใช่มั้ยเราทําอย่างหรือเรื่องจะมาไม่ดีเราจะไม่ทุกข์ใจและไม่ทุกข์ใจในที่นี้หมายความว่าไม่ยึดถือ นะถ้าใจของเราเอาตัณหาออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆนะเพราะความจางคลายนะค่อยๆ เหมือนตื่นอันตู้หิวร้อนมืดก็จะค่อยๆลดลงนั้นลดลงไปลดลงไปอัน ตัวก้อนมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นแต่ของมันหินที่เค้าวางอยู่ที่พื้น 5 กก. 10 กก. ใบ 5 กก. 10 กก. มัน แล้วมันหนักเท่าหินด้วยแต่ทําไมมันทําให้เราหนักในขณะ เราจึงไม่หนักหินไม่อะไรก็ตามเราวางกระเป๋าด้วยวางหินด้วยทั้งกระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าไม่มีหรือ แต่ถ้าใจของเราได้เปลี่ยนใจของเราเปลี่ยนเปลี่ยน นําไม้เช่าสิ่งภายนอกอาจจะเปลี่ยนหรืออาจจะไม่เปลี่ยนอ่ะสมมุติมันไม่เปลี่ยน พระกาลตับสนองเราเปลี่ยนไปในทางดีขึ้นสิ่งภายนอกก็มีความ เดี๋ยวถึงแต่กลางคืนเนี่ยเราไปดูเราเห็นดวงจันทร์กี่ดวงมีดวงเดียวนะ 2 3 2 หรือ 3 ให้มันร้อนทําไมมันมี กลางคืนก็เป็นประจันทร์น่ะไม่มีอะไรสว่างเกินประจันทร์ในเวลากลางคืนไม่มีในคืนเด่น มีดวงจันทร์ดวงดาวแสงหิ่งห้อยน่ะแสงหิ่งห้อยก็น้อยกว่าดวงดาวอีกแสงดวงดาว วันคราวไหนที่ทําให้ใจเรามันไปเกาะเกี่ยวยึดถือวนเวียน เราได้พยายามที่จะมีสติสติเกิดขึ้นได้เลยนะด้วยการพยายามที่จะระลึกถึงคําสอนพระเจ้าที่ถูกต้องนั่นคือธัมมานุสตินะเอ่อถ้าเรานึกถึงคําสอนพระมันนึกถึงคนที่บอกสอนธรรมะนี้อันนั้นเป็นธัมมานุสตินั่นเป็นพุทธานุสติท่านทีนะหรือว่า กับเว้นสังขารโดยสติเหมือนกันหรือแม้แต่ปัจจุบันนี้เราจะระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจ เราจะแต่อย่างน้อยใจของเราน่ะให้มันมันน่ะใช่ไม่เบาก็ได้แหละแรกๆมันอาจจะไม่เบาแต่อย่างน้อยให้ปฏิบัติให้ถูกก็แล้วเรา 8 นะ Mark 8 ก็ 8 อย่าง เวลาที่เรา 8 เนี่ยก็ต้องทําให้มันทุกด้านของชีวิตนะไม่ใช่เฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่ง พบกันใหม่วันพรุ่ง